ทำอย่างไรให้อารมณ์หวานยังคงอยู่คู่ชีวิตรักของพวกคุณข้อความบางส่วนจากหนังสือรักแท้มีจริงเขียนโดยดังตรินคำตอบคือต้องทำอะไรหวานๆบ้างอย่าเอาแต่มองหน้าหรือพูดจากันด้วยความเคยชินเพราะความเคยชินจะเหมือนแกงจืดที่เพิ่มปริมาณขึ้นทุกที กระทั่งความหวานถูกเจือจางจนไม่เหลือรสการทำอะไรบ้างที่ว่าหวานหวานคำตอบเป็นที่รู้อยู่แต่คนสมัยนี้ชอบแกล้งทำเป็นแหวะใสอย่างเช่นการให้ดอกไม้กันการใช้คำพูดคำจาเป็นสับแสงลิเกเป็นครั้งคราวตลอดจนพูดง่ายๆแต่ชัดถ้อยชัดคำว่าผมรักคุณหรือเขารักตัวเองนะแค่นี้ก็เรียกหวานแล้ว ไม่ต้องสร้างฉากวิลิสมาราเลือดลอยเกินจินตนาการใดๆเลยถ้ากระดาษที่จะพูดคำว่ารักแต่ร้องเพลงรักได้เก่งก็เอาเลยร้องมันเข้าไปยิ่งถ้ามีฝีมือแต่งเพลงเองได้ก็ยิ่งแจ่มแต่งให้คนรักแบบอุทิศให้เขาหรือเธอคนเดียวแบบนี้เรียกหวานยังมีเอกลักษณ์คนรักจะประทับใจความคิดสร้างสรรค์ที่คุณทาให้โดยเฉพาะเนื้อสิ่งอื่นใดแม้วันหนึ่ง คนหลง ล, มลืมแล้วคนรักของคุณก็จะยังคงจดจาได้อย่างแม่นยาเสมอไปคำโบราณเขาเรียกทราบซึ้งตรึงตราซึ่งสมัยนี้หายากแล้ววันเกิดก็เป็นวันรักษาอารมณ์หวานประจําปีด้วยนะครับเป็นวันที่ห้ามลืมเด็ดขาดสั่งให้มือถือเตือนแบบประจาทุกปีไว้เลยเพราะนั่นเป็นวันแห่งตัวตนถ้าจาวันเกิดไม่ได้ คนรักก็อาจเข้าใจว่าคุณจำตัวตนของเขาไม่ได้เช่นกันถ้าเคยสร้างบรรยากาศหน้าประทับใจในวันเกิดไว้แค่ไหนก็ให้รักษาระดับความพิเศษนั้นไว้ให้ดีมิฉะนั้นคนรักจะรู้สึกว่าคุณให้ความสำคัญกับเขาน้อยลงทางที่ดีทำให้เป็นกลางๆตั้งแต่แรกของขวัญซื้อแบบทที่มีความหมายราคาไม่ถูกจนน่ายีแล้วก็ไม่แพงจนคุณต้องหนักใจทุกปี และอย่าสร้างสรรค์บรรยากาศเสียจนล่งให้คนรักรู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงหรือเจ้าชายเสร็จแล้วในปีหลังๆโดนลดบรรดาศักดิ์ค่อยๆเลื่อนลงมาเป็นสามัญชนและอาจตกหัวบลงมาคล้ายไพร์รถท่านั้นไม่มีใครทนไหวหรอกครับหากมีเงินพอการไปเที่ยวทางไกลด้วยกันเอาแบบสถานที่ที่น่าประทับใจมากๆ ก, ก, ก็นับเป็นการสร้างอารมณ์หวานไม่ลืม ฝรั่งเขาถึงเรียกการเที่ยวทางไกลด้วยกันว่าไปดื่มน้ําพึ่งพระจันทร์หรือฮันนีมูนไงครับแต่การเดินทางที่ดีที่สุดหวานที่สุดชนิดเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้คือการเดินทางไปทำบุญคุณไม่จําเป็นต้องมีเงินมากนะักขอแค่รู้จักวัดดีขอแค่รู้จักเลือกของดีมิ้กี่ชิ้นไปถวายพระแค่นั้นก็พอๆกันหรือเลิศกว่าไปฮันนีมูนแล้ว ลองถวายสังฆทานด้วยความมีใจเลื่อมสายสะท้าร่วมกันเอาให้ได้สีวัดภายในวันเดียวระวังอย่าให้เกิดการทะเลาะเบาแหวงในวันนั้นแล้วดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับความรู้สึกของคุณความสบายใจอย่างประหลาดหรือความสุขอันโอฬานหรือปีติเย็นซ่านไปทุกทิศหรือโสมนัสจนต้องฉีกยิ้มค้างไว้อย่างนั้นแล้วลองถามคนรักด้วยว่า รู้สึกอย่างเดียวกันไหมปีติสุขที่เกิดขึ้นไม่สามารถอธิบายด้วยเหตุผลทางวัตถุเพราะข้าวของที่ถวายสงเป็นเพียงรูปธรรมแต่ความรู้สึกของพวกคุณเป็นนามธรรมคุณรู้แต่ว่ามันเวิร์ครู้แต่ว่านี่แหละเขาเรียกบุญแล้วในที่สุดก็ได้ข้อสรุปแบบรู้อยู่เต็มอกว่าบุญร่วมกันนั่นแหละตัวเสกอารมณ์หวาน ชีวิตแต่งงานมักนำมาซึ่งรถขมหลายรูปแบบคุณต้องสู้กับกองทัพรถขมด้วยสายน้ำแห่งอารมณ์หวานพยายามให้มันไหลรินไม่หยุดทุกวันและจะอจัศจรรย์ใจว่าอารมณ์หวานกับโลกที่สว่างสวยยังคงอยู่กับพวกคุณไม่ว่าจะกี่เดือนกี่ปีผ่านไปก็ตามสรุป ค, คือทางเดียวที่จะรักษาน้าหวานที่ลดระดับลง คือต้องเติมของใหม่เพิ่มลงไปทุกวันนะครับ